มาใกล้ๆ ก, กันนิมนเพื่อนพระสงฆ์ทุกๆองค์ครับแล้วก็เนนก็ต้องตั้งใจฝังผาก็ต้องตั้งใจฝังญาติโยมก็ต้องตั้งใจฝังหลังจากการทำวัดเซามือนีหลวงพ่อจะมาแนะนำวิธีปฏิบัติธรรมพอวานนี้ใหว้ฝังแล้วผู้ใดพอใจอยู่ก็ยู่ไป ผู้ใดบุพอลไปจอยู่ก็ให้ไปโลดเพราะมันเปลืองสถานที่ที่นี่ปีนี่นะ่ะจะฝึกกันจริงจริงจังๆให้ฝึกเปลี่ยนนิสัยกิริยาบา ร, รยาทุกอย่างทีเดียวที่นี่มื้อนี้เป็นมื้อข้าพรรษาวานนี้ตอนเย็นผมเตือนไว้ผู้ใดบุพอใจแล้วกับนิมนต์ไปได้เพราะมีระยะเวลา ที่ออกเดินทางไปหาจำพรรษาที่อื่นได้มือนี้ถ้าพอใจยุ่ที่ฝึกตนฝึกตัวจะอยู่ได้ครับเป็น่างสั้นที่ผมบอกนี้คราบพรมพยายามทับนิ่งขวนปีนี้เราจะต้องพยายามฝึกกันจริงจงจังๆเพื่อจะไปสอนขนให้ว่าเด้ไปจะฟื้นฟูตัวเขา บุญไม่จีให้ไปตามนิ่ใส่ให้ไปตามอารมณ์มันมีสูตรพื้นว่าการปฏิบัติธรรมมาพื้นว่าหนังสือเวลามีสูตรเดี๋ยวผมมุจากกันพี่สันแต่ว่าลักษณะพระพุทธเจ้าสอนนันเพูนบอกว่าให้เจริญสติปัฏฐานซี่วะสันเราก็ไปเรียนสติปัฏฐานซี่คือกายอยานุกัจนาให้มีสติดูกายใดกาย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 ถ้าหากใครจะอยู่นี่ก็ต้องเกียมเื้อเกี่ยมตัวได้ถ้าจะยอมเปลี่ยนแปลงได้หรอขันบุนยอมเปลี่ยนแปลงผมบุอยากให้อยู่เพราะมันเปื้อนสถานที่ผมนี่ครับเดี๋ยวม่อมันผมก็มู่ที่เขาในประเทศทุกคนสลัดทุนเทเหื่อแรงงานลงไปนี่ปัจจัยทุกคนได้มาสตางค์หนึ่งสองสตางค์ทุนเทลงมานี่มั้เพื่อเขาจิมาตั้งสถานที่เกาะทับหนึ่งขวั น, นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งแรกของเขา ในชีวิตนี้เมื่อคิดย้อนถึงคำพูดของท่านพุร้สัตะบุรุษหรือว่าพระพุทธเจ้าผมกระ บ, บุพูทยจักแล้วว่าให้มีสติกำหนดรู้นี่มันจอแท้ๆนี่ในอิริยบททั้งสี่ยืนก็ให้มีสติรู้เดินก็ให้มีสติรู้นั่งก็ให้มีสติรู้ นอนขอให้ม่เสีสติรู้อันนี้เขามีสติเพื่ออยังก็เพื่อบม่ให้ลืมโตเฮานี่แหละการกราบการไหวแม้ไหวพระทุกเช้าทุกเย็นส่งกระแสจิตไ่ได้สํานึกถึงตัวตัวมันจะเป็นแสนดงกระตัมสางแสดงว่าเขาบูรุตัวเขาเขารู้จะําพูดจะคือเขาลืมโตเฮาได้อันนี้เท่านั้นเพื่อก็ยังบุพอให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้ในอิริยาบถย่อยทุกวิธีฝุ่นฝุ่สอน เียอนัเป็นคำพูดตรงๆทีเดียวอันนี้เดี๋พระใจปิดดกผมต้องไปพระใจปิดดกพระสูรพระวิันพระวิธรรมอันนั้นดีแล้วพระใจปิดดกพระสูรตันตปิดดกสองมื่นหนึ่งพันพระดำขันพระวิใตันตปิดดกสองมื่นหนึ่งพันพระดขันสองปิดกนี้เป็นสี่หมื่นสองทันส่วนพระวิธรรมปิดดกปิดดกเดียวนั่นแหละ มีสี่0มื่นสองันรวมเป็นแปด0มืนสี่พันพันัขันนมันเาวี่วเลยนะเขากระแสกิดไปติดญี่ปุ่นให้มากระแสติดโตเฮากำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยพสูตรคือตัวโตเฮานี่แหละตัวโตเฮาได้ทำการทำงานพูดคิดการกราบการไหวเนี่ยพสูตรอันนี้พระวิเศษคือคำพูดเนี่ยพายที่ทำ ค, ค, คือใจก็อยที่ทำจะพูด ใจมันคิดก่อนีจะทามาคุมตัวนี้บัด น, นี้บัด น, นี้คนผู้บงผู้จักเรื่องราวก่อนมันให้จังหวะอันนี้เป็นสูตรอันนี้เป็นวิธีการทําเป็นสูตรเป็นวิธีการทําเขาไมา่ให้จังหวะพลิกมือขึ้นขั้วมือลงยกมือไปเอามือมาอันนี้เป็นสูตรที่สําเร็จทําให้เกิดปัญญา สูตรที่สำเร็จแท้ๆน่ะคือว่าเป็นอารมณ์ทำอันนี้ทำเพื่อยังทำเพื่อให้เกิดปัญญาเรียกว่าเจริญสติเขามีสติได้เห่านังเห่าพิกมือเขาพวบ ม, มือเหากราบเขา า, าว้เขามีสติผู้ใดบอกมีสติกะงอยแงไปโอยแ อ, อไปเลิกแบบนั้นแปลว่าสแสดงว่าบอกฝึกตัวเองจิตใจบอกเข้มแข็งบาจีฝึกได้บอกทำมา คนฝึกธรรมะมันต้องจิตใจเข้มแข็งผมเคยว่าบ่อยๆผมตะก้อนผมสู้บุรีผมไปโยมนะไปปฏิบัติธรรมะนี่ครับะระยี่สิบปูรูโยมห้าคนจิตใจมันบูคือกันเนี่ยให้ไปตามอารมณ์ด้ผมให้เป็นพูดเดียวผมผมฮู้ฮู้ยัง้งก่นฮู้โตเฮาเนี่สู้สำเร็จมันอยู่นี่ิก ควมผู้จักตัวเหาทุกครั้งทุกครั้งไปเลยมันก็บุกเคลื่อนไปไหวแล้วตนตัวเหามันก็บ้องน่อยแง่จิตใจมันก็เข้มแข็งสำหรคนอันนี้ไปสงสัจคิดไปห้อยอันพันยางต้นตัวพีเริ่มลืมแล้วเนี่ยเพราะว่าคนลืมตัวคนลืมตัวนี่เพราะเอิ้นว่าคนประมาทมีชีวิตอยู่เท่าเดกัคือคุณตายแล้วดี๋ยวพูว่ามันเน่ามันเหม็นมันซัวมันทำซัวมันพูดซัวมันคิดซัวเด็มันก็เห็นตัวทำที่ได้เนี่ย พระธรรมหมาสิ้นยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปที่สูเ้อ เ, อเอาสิ่งเฮาจีเอาธรรมใสมาปฏิบัติกับปฏิบัติโตเฮาดีส่วนอย่างที่ถูกต้องเ<ส language>มื่อผมทําอย่างนี้ผมก็รูรูรู้เรื่องรูปเรื่องน้ํานี่เลยครับอันนี้แหละเป็นสูตรมันในแทล่ะอันนี้รูปนา น, นี่เป็นของสําคัญคันรู้รูปน้ําแล้วกลับไปทําอย่างอื่นบ่แมนนะผิดแล้ว เขาลืมรู ป, ล, ปลืมลลลน้ำแล้วตืมแล้วนี้รูปรูน้ำรูรูปทำรูน้ำทำรูปอันนี้มันทำใจมันก็ระทำจนวะรูปอันนี้เป็นโลกใจมันก็นเป็นโลกเนี่ยอันนี้เป็นโลกทางเนื้อหนังบัดนี้นนนโลกทางจิตใจได้ไหมจิตใจขี้เกียจขี้คานจิตใจโคตจโรจิตใจโลภจิตใจโล่งนะคุณจิตวิญญาณเป็นโลกอันนี้เป็นสูตรสําเร็จแท้ๆแล้อันเนี้เป็นสูตรสูตหนึ่ง ข่องบรรพระบุรุษบุคคลผู้ที่รู้ดีรู้สอบอันนี้เป็นสมาธิิแท้เพราะของจรให้เข้าใจอย่างกันแต่คนอื่นจีเข้าใจอย่างไหบุรู้จับผมรู้มาตังตีเมื่อรู้รูรูน้ำรู้รูรูทำรู้น้ำทำรู้รูโลกรู้น้ำโลคกับรู้ทุกขังตั้งใจดีๆอย่าให้มาแง ถ้าบทตั้งใจดีแล้วจิตใจส่งกระแสไปบนอื่นพุ่นลูนโตเฮามันต้องจิตใจเข้มแข็งรู้การเคลื่อนการไหวทุกอิริยบทเป็นทุกข์ครับเนี่ยทุกข์ขังมันจิอยู่กับรูปอันนี้อันนี้จังมันไม่เที่ยงอนัตตาบังคับบรรสาบใดมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนี่ของจริงบทนั้นทุกเจ็บแคงเจ็บขาเจ็บหัวปวดท้องผมงอกคนหักอัน น, นันพนวาทุขังอันนี้อางอนัตตา แต่เมื่อผมปฏิบัติโบแมนมันเป็นทุกขาเวทนาทุกโศกโศกาทุกให้ลําไภตั้งหะกันอันนี้แหละเป็นสูตรมันแท้ๆเลยนะรู้อันนี้รู้อันนี้เป็นสูตรอันนี้เดียว่ปัญญาที่เขาทํากลมเคลื่อนไหวนั่นนหะมันสะสมเล็กๆน้อยๆด้วยสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นให้รู้ของจริงอันนี้ลืมเพลโตไปโมดิรนเอิรนโมหะโพสะโลภะเอาไปกินแล้ว บ่มีสติแล้วเหา่าเนี่ยพื้นสอนจังสันพระพุทธเจ้าพื้นสอนเมื่อรู้อันนี้แล้วผมก็รู้สมมุติโลเบเดียสมมุติที่สมมุติเทวดาสมมุติบวชสมมุติสิกพระพุทธลูปมุนีสมมุตดผมหู้จักอย่างสันจริงๆตอนเจ้าผมหู้จั ก, กหูจักสมมุตินแต่ของหูจักศาสนาโลเบเดียศาสนาเป็ว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ ใ่ารู้เรื่องอันใดนามาสอนทงนั้นแต่สอนให้ละตัวทําดีซซื้อบนเรืพุทธศาสนาผมเข้าใจตัวพุทธศาสนาคือตัวสติรู้สึกตัวเนี่ยตัวสมาธิตั้งใจเนี่ยคนตั้งใจจึงจะนั่งทนอยู่ได้จิตใจเข็งแกรงเมื่อมีสมาธิมันก็เลี้ยวพุนเลี้ยวพี่ลืนตัวไปเนี่ยปัญญาบริเนตสติสมาธิปัญญาปัญญาก็สอดรู้สอดเห็นกำลังเป็นอย่างไดอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ย มันก็สอนรู้สอนเห็นอย่างติสนุติสนุพุท ธ, ธาศาสนาโอ้พุทธยังเปรียบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมธรรมะจึงคือตัวเขามันเคลื่อนมันไหวโดยวิธีเด็กกระลูพิษตากระลูหายใจรู้อยู่นี่บทีเดียวนี่อันนี้แหละเป็นวิธีปฏิบัติเป็นสูตรที่สําเร็จมาเทไถ่เองบ้าก็คืองโง่นั่นล้วนไปเดียวมันมืดเพราะมันลืมโตนี่บุญได้ประเนี๋ยบุ ญ, บบญคือรู้ รู้ล้วโสศ้าโศกโสเสียใจนําผายทั้งมดผมเป็นทางการอันนี้เป็นสูตรที่เรียนให้รู้บนไม่เรียนรู้เนี่ยปฏิบัติมันรู้มาเองมันมาจากกฎของธรรมศาสตร์เดยวว่าญาณของปัญญาวิปัสนาเกิดขึ้นวิปัสนาจังหวะรู้แจ้งรู้จริ ง, ร, ร, งรู้แล้วต่างเก่าลวงภาวะเดิมนี่คนเลิกเลยผมอะแต่ก่อนผมมีคาถาเมื่าห า, า, าบุตทองนี่เอาไปเรีนบอก ออกไปจากเล่มหุ่นเนี่ยไปเลียนมนเลียนมนคงนี่คงมีคงผ้าเนี่ยมันเรียนไปยังสันมันอันใดที่มาคงมากันได้จะมีแต่คนจิตใจอ่ อ, น, อนนั้นถ้าจิตใจแข็งแกร่งแล้วออยมันคนหลอกคนซื้อจัองวหวะควรมนต์มันจะจําได้อยู่ในฝุ่นบางคำอมทุรีทุรีอ่างสันฮอกูมีแผ่นทองกั้งพาสัน หนาา้าผ้ากูแกนปันหินตีนกุแกนปันเล็กกว่าจับั้นมาลูก้องคอตัวแล้วบวมีเหนี้อน้ำตาไหลออกมาล้วผมตีนเนี่ยญ่าไปน้ำถนนหนทางบางทีน้ำปากกระเขา้าเนี่ยคนแข้งกูท่อน้ำคาคนาคากูท่อขอนเม้นกูจักเต้ไปได้ห้อยยศผันวา่าพญามุนทางหลายเจ้ามากลับมาไหวมากร่า ง, า, ก า, กางมาบังไผ่ยี่มากร่างมาบังตัวเหงาบวมีไผ่ามากร่างมาบังถึงจะเป็นคำพูดสมมติ ให้เขา้าใจสมมุติจริงๆอันนี้แหละเขาไปติดสมมุติไปติดเจพีทีลีตองต่างๆเขาเลยโบได้ปฏิบัติตัวเขาจริงๆปีนี้แนหะต้องออกกันจริงกระยาอันนี้เป็นสูตรสูตรหนึ่งเบื้องต้นให้ลูกอันนี้คันผิดจากนี้ไปละผิดเลยเลิกได้เลยผมเลิกทุกสิ่งทุกอย่างเลิกไหวพีเลิกไห ว, เ, ไวเทวดาแต่ว่าไว้เทวดากุบิหิรินี่ คนใดมีฮิริคมลาอัยแก้ใจอยู่เสมอนั่นแต่ะเทวดานั่งไหวเงอะจนนั่ น, น, นบุมีบุมีหิรินั่นเลืมโตบุมีคมราอัยแก้ใจแล้วเด่นั่นนั่งไหวภาคกางงอกหลกเงางนอนนี่นันน่ ง, ง, งนนฟังเทศกางงอกรักเหมานอนมันจะมีฮิริยังไดกันสนะมันก็ค้าค่ายคือสัตว์นิสโนวคนบุมีคมราอายในใจนี่นั่นมาได้เบื้งใจตัวเองนี่นั่นพลิกไปตามอารมณ์พุ่น ที่ไวให้ฟังมุ น, นจะเอาจริงเอาจังปีนอยู่คึกกันจริงจริงจัง จ, งจงเตือนไปเมุ่อแหลงหวานนี่คนี้ครับถ้าภัยเสยุนี่ก็ต้องเอาจริงเอาจั ง, จงบุาว า, นน า, ารพระว่าเนีนบุวัญญาตว่นอยมเพราะว่าการปฏิบัตินั้นมีแต่คาพูดแต่ตัวจริงนี่น้อยเป็นอย่างไรเมื่อปฏิบัติอย่างนี้นะ่ะตกเย็นมาผมขรุอกตื้นผืนผมไปอาบนา้ำ รู้ใจผมผ ม, มรู้ผู้อื่นใจมันคิดขึ้นมาผมรู้แต่ก่อนนั้นผมรู้ซื้ อ, อรู้บอนนี้มันรู้ใจมันคิดขึ้นมาปุ๊บผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจอันนี้เป็นสูตรอันหนึ่งเป็นสูตรที่ให้เราเลิกละจะข่มตัวใดนนก็เลยเห็นวัตถุเห็นรู้เข้าใจสัมผัสได้จริงๆวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียว ต้นไม้ผูกเขาห้วยหนองคองบึงเป็นวัตถุทั้งนั้นเมื่อนหนางเขาเป็นวัตถุบนนี่มีจริงจิตใจเขาเป็นวัตถุมีจริงนี่ยของจริงเราต้องเห็นจริงแล้วสั้นลายเป็นขั้นเป็นตอนมาอยา ง, งาาตันปรมัดแล้วของจริงมีอยู่ในโลนกนี้กําลังเขาสัมผัสนู่กาลังเขาลูตัวอยู่กําลังเขารู้ความคิดเขาอยู่เนี่ยเป็นปรามาัดอาการสภาพต้นไม้ผูกเขาห้วยหนองคลองบึง เรือนวลหนักเขาก็เปลี่ยนแปลงไปได้จิตใจเขาเปลี่ยนแปลงไปได้บนเนี่ยลักษณะนี่เรียกว่าต้มกับน้าเขาเอื้อนน้ำคุ้นเหมืนอนโบแมนน้ำโบได้คุ้นต้มเลนต่างหากมาให้กัน้ําคุ้นวันนี้โตสติโตชีวิตของเขาจริงๆมันบบได้มีทุกโบได้มีโลภบบได้มีโกรธโบได้มีลงโลภ โ, โกรธลงเพราะเขาลืม่มโตยังนั่งอยู่ดียเนี่ยงอกแงกงเนี่ บูรู้สึกตัวได้ไหมเนี่ ย, ยโลกกดดันมัเข้ามาแล้วนี่อันนี้แหละมันทําให้นําคุณทําให้เราทำตัวพูดตัวคิดตัวคุวคมันเข้าใจสิโอหลักษณะโทสะโมหะโลภะมันเข้ามาเป็นอย่างนี้เมื่อควบคุมได้แล้วสิรู้สึกตัวอยู่แล้วมีความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจในการทําการพูดอย่างที่โทสะโมหะโลภะเข้ามาไม่ได้ นี่เปโวได้กระแสได้ต้นทางกับนี้เลยผมรู้จักรูปดังสีเวทนามีอยู่แต่บทุกสัญญามีอยู่แต่บทุกสังขารมีอยู่แต่บทุกบิณ ญ, ญาณมีอยู่แต่บทุกนี่ที่รูปสี่อันนี้แต่ก้อนมันรูปขันห้าบันนี้ขันสี่ขึ้นมาแล้วบร้อย น, นี่ผมรูปไปอย่างนี้เป็นสูตรสําเร็จมาแท้ๆสัตตบุรุษ บ, บุคคลู้ที่รูปมาสอนมาัติรูปที่จากนี้ไปโบเมีนแลียบร้อ อันนี้เป็นว่าหลักตระใจดีเมื่อรูรูน้ําเนี่ยหละดีใจนี่ใจมันดีแล้วบุตรพอเอาน้ําออกจากอันตะกอนใดเน๊ะตะกอนอันที่เขาเอื้อนน้ำขุนน้ำอยู่ตรงทงไฮทงนาเขาไถนาแล้วเขาเอื้อนน้ำขุนห้องจริงโมจริงควนควมจริงนาบุ ค, คุนตะกอนตังหานี่ของยังนี่มีมัดทุกคนพระทรงองค์เจ้าก็มี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 มีสิ้นคือกันกับพระเจ้ามีความไม่เห็นเหมือนกันกันกบพระเจ้าโมผิดกันถ้าผิ ด, ดจักนี้ไปแล้วผมว่าผู้ของผู้นั้นแต่วิธีผมมี่โบทุแต่วิธีนั้นก็นได้บอกได้สอนกันมาแล้วมู่หลวงพอ่อมู่นี่ก็ได้เห็นสําเร็จมาแล้วไหมบ่เนี<อ>่ยมุมาหามู่คุณทุกคนละอยู่เนี่ยเห็ุสาสาจังหวะทีแรกเรื่องแรกต้องเห็ุจังหวะสาสาสะพอนมันยังฮู้เล่แล้วพอดีฮู้จังหวะแล้วก็ มันสติมันรู้สึกตัวแล้วก็มาเดินจมกร ม, มเมื่อเดินเข้าไปแล้วมันเกิดปัญญาตัวปัญญามันเกิดมาเพราะตัวเฮาท็่จังหวะพี่เด็กเมื่อรู้อันนี้แล้วผมก็เลยเออนี่วมเป็นพระอยู่ที่ตรงนี้เองวะทุนนี่ผมย่างอยู่ครับนุ่งกางเกงโอ้กูเป็นพระได้แล้วเดีนี่เป็นอ่างนั้นน้ําหนักตัวของผมเนี่ยร้อยกิโล อย่างน้อยมันตูมไปโรดวัตสันหกิกิโลแต่ผมคิดว่าแปดิกิโลมึงไปแล้วบัดเนวาวัตสันเบาขึ้นไปนอตสันหน่ปัป๊บแต๊บเมื่อเดียวนี น, นจิตใจผมเปลี่ยนสองครั้งครับตอนเย็นนี้เรียกว่าเป็นสูตรที่ดีที่สุดสูตรอันนี้ก็เลยรู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นสูตรมันว่ากินเลส ตันหาอุปทานกรรมนั่นนี่ก็เป็นลูกที่คือกันเรียกเป็นขันที่คือกันเนี่จางไปเลยครับรู้จักมักรู้จักคนทันทีเลยครับอันนี้แหละเป็นสูตรสำเร็จเห็นไปตามสัตตบุรุษบุคคลผู้ที่รู้จริงๆพระพุทธสอนว่าติบัดนี้ขวมโลภขวมโกรธขมหลงอเอื้อ้นมาเสงก่อนแต่ผมรูจังหวัดโทสะโมหโลภะ ก็จางขายจืดไปขายขายขือนน้ำรางซีนเนี่ยครับมันจางขายออกไปจางขายออกไปผมก็เลยมานอนครับมานอนแล้วก็ตื่นมาเมื่อเสาร์ผมก็ล้างหน้าแปรงฟวนสู้มันอันนี้พี่ได้กขับมันสูส้สําเร็จสู้สําเร็จผมไม่ว่าจะไปว้าสูอ้อื่นๆด้ครับก็เลยมาเดินจมขมเมืม่อเสามาผมเดินไปเดินมานะแต่ผมนั่งสก๊อตนะพี่ครับ นั่งแล้วผมก็ลงมาเดินเดินแล้วผมมันบ่มีไฟฟ้าเอาเทียงไขไปใต้ไว้โตขี้เข็บโตหนึ่งมันมาเดีนภาพภาพมาผมเลยเอาเทียงไข่ใต้ตามไปเพราะว่ามันกัดผมคือหนงที่เก็บมันเจ็บขี้เข็ บ, บ, ขขบนีไปแสงพรเห็นแล้วกลับมาใต้ไฟเลยหูวจากสิ้นขึ้นมาเลยอันสิ้นห้าสิ้นแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิน 2, 200, 27, สามร้อเนี่เป็นสิ้นสังคมเป็นสินสมมุติ ยิวสินเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิลเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื so. ่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดเฮาวากันบวชมาในเก้าปีสิบปีอย่างยังบวกิเลสอย่างหยาบยัางบวชจากเสือบุรีตูเดียนอยังเลิกบวได้มาจีเลื้อกิเลสอย่างหยาบยังได้ยังไหนมันก็เป็นผ้าขี้ริ้วตอบนี้มดเียมันก็เป็นผ้าเทียเท่าตอนนี้เลิกบวได้อย่างกริเลสอย่างหยาบมันอยากสู้ ม, มันบวเห็นใจบันได้บมดเี้ หมดได้เบื้งใจตัวเองอยากเทือดีม้มาเจเห็นบอกนี่จะได้อย่างไงจะได้ยังกลางคือนยังสิไปติดความสงบจะได้ยังละเอียดเป็นยังสิหมู่จากทางไปครับหมู่จากทางไปโอ้สิ่งที่ว่ามีแล้วในคนทุกคนทําให้ปกติอันนี้เกิดขึ้นแนละ้วเกิดปัญญาแท้ๆรับรองได้ทีเดียวอันเนี่ยที่ว่าเป็นสูตรที่สําเร็จ รู้จักสมถกรรมฐานรู้จักวิปัสนาภาวนารู้จักแท้ๆสมถกรรมฐานไปเป็นทางสุดครับแล้วตำราพิณว่าคันว่าสมถกรรมฐานตั้งหลักมันแล้วก็ยกขึ้นพระแต่ลักมาพิจรารณาแต่เมียนยุอ่อะไรกันได้ผมเห็ดแล้วเห็ดมาแล้วครูบาอาจารย์สอนมาแล้วเดชหายใจเข้าพุทหายใจออกโถ น, นับหนึ่งสองสาม ห้องยุบดีเหตุบบเม็ดครับดูลมหายใจสั้นยาวเขา้าออกมีโอยลมหยาบลมละเอียดอย่เหตุมาแล้วบบเกิดปัญญาโบเกิดสูตรสําเร็จอันนี้ขึ้นหมายเหตุอะไเถพอดีมาทําอันนี้มันเกิดปัญญาเกิดเป็นสูตรสูตนึ่งขึ้นมาแท้ๆนี่ก็เลยรู้จักสิน้นสิ้นเรียกปกตินั่งอยู่นี่ขันผู้ใดบุญอปกติเราแสดงว่าบรมีสิ่งตัวเดีย ว, ว, ว, ว, ยวจัดการกิเลสอางหบบอดาเป็นพักขีริ้วนี่ ใจนั่งอยู่นี่ถ้าหากผู้ใดมีปกติล่างกายได้เคลื่อนไหวปั๊บแ ป, ป๊บจิตใจมันคิดปั๊บแ ป, ป๊บเห็นนั่นคูนั้นเป็นผู้มีปกติจะเป็นผู้มีศินยิ่งจํากัดจัด ก, การกับกิเลสอย่างหยาบได้สมาธิแต่ตั้งใจตั้งใจฟังตั้งใจเบิกตัวเฮาพี่เด้บุญ่องสมาธิไปนั่งหลับตานั่งมู่งให้อย่างก็บหรู้จักนั่นอันนั้นสมาธิแบบหนึง่งอันนั้น สมาธิแปลว่าวตั้งใจมั่นทําการทํางานพูดคิดนั่งอยู่นี่ตั้งใจบังใจของพี่ตั้งใจเบังการเคลื่อนไหวของพี่บวกไปบังผู้อื่นมูเห็นอย่างเห็นทันทีนี่จวกให้มันคือตาไก่ป่านี่อย่างโบาณมันคือไก่ตาจูมไก่ตาโลดุโอยมันก็ใส่บได้ปฏิบัติธรรมะบอก้าวหนนะ้าเลิกละข่มตัวทั้งหมดเปลี่ยนแต่งทั้งมัดปีนี้เป็นอย่าั้น พอดีหู้จักอันนี้แล้วผมก็เลยรู้จักสิลสินผมไม่สินห้าสินแปดผมหู้จักอะผมเกิดสูตรขึ้นมาสินขันสมาธิขันปัญญาขันนันขันคือที่ผมบูมหูจักแต่ก่อนมุมาหานได้ไวขันคือที่คันคือรองรับคันคือต่อสู้ผมเข้าใจทุกท่านคันดีตักนาดได้กินขันแตกตักนาโมได้กินคันดีตักเข้าไปใส่ บ้านให้เจ้าหงอยจูด